วันนี้เป็นวันพระลาศที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาในการศึกษา ในการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกองทุกของสังสารวัตรที่สัต์โลกต้องติดอยู่เหมือนคนติดอยู่ในคุกมีที่นอกคุกที่มีความสุข ไม่มีความทุกข์ที่นอกคุกของสังสารวัฏก็คือพระนิพพานนิพพานนี้เป็นสภาพของจิตใจที่ปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงทุกต่างๆที่มีอยู่ในสังสารวัฏที่ จิตใจต้องสัมผัสต้องรับรู้นี้จะหายไปหมดเมื่อจิตใจได้ออกจากสังสารวัตรไปออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ว่ามีคือไม่มีใครรู้เรื่องของพระนิพพาน นอกจากพระพุทธเจ้าเป็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น <c oughs> ที่ทรงรู้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เอง <c oughs> หลังจากที่พระองค์ได้ทรงค้นพบแล้ว <c oughs> พระองค์ก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเรา <c oughs> พวกเราจึงได้เรียนรู้ว่า พวกเรานี้เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตใจพบคือการมาพบรูปพบและอรูปพบและได้เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นเวลาอันยาวนานและจะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนที่จะบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดในมีวันสิ้นสุดลงได้การออกจากคกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นไปได้มีที่ที่ดีกว่า สังสารวัตที่ดีกว่าไตรภคคือพานิพาน <Yeah. S 2> ที่อยู่ข้างนอกไตรภคเหมือนกับคุกตารางกับสถานที่ที่อยู่นอกคุกนอกตาราง <Yeah. S 2> พวกที่อยู่ในคุกนี้จะไม่รู้ว่าภายนอกคุกเป็นอย่างไร <Yeah. S 2> ถ้าเกิดมาอยู่ในคุกมาตั้งแต่เกิด <Yeah. S 2> ก็จะ อยู่กับความทุกข์ของคุกตารางไปเรื่อยๆแต่ผู้ที่ได้ออกจากคุกตารางจะเห็นความ <c oughs> สุขความสบายของการอยู่นอกคุกนอกตารางฉันใดจิตของพระพุทธเจ้านี้หลังจากที่ได้ตัดสลูได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ก็ได้พบกับความสุขเพียงอย่างเดียวของพระนิพพานพระนิพพานนี้กับสังสารวัตนี้อยู่ในใจของสัตว์โลกอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าขณะที่จิตใจของพระพุทธเจ้ายังมีกิเลสตัณหาอยู่จิตใจก็จะอยู่ในสังสารวัตรอยู่ในตายภพ และขณะใดาที่พระองค์ได้ทรงชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จนปาศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงแล้ว <Yeah. S 1> จิตใจของพระองค์ก็เป็นพระนิพ <Yeah. S 1> พานไปพระนิพพานกับสังสารวัฏ น, นี้อยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคน ตอนนี้จิตใจของพวกเราฝ่ใฝ่อยู่ในฝ้าของสังสารวัฏเพราะเรามีความอยากที่จะหาความสุขอยากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตรภบนี้เอง<ม>เราอยากหาความสุขจากกรรมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะ บางท่านก็อยากหาความสุขจากรูปประชาน mm hmm. บางท่านก็อยากหาความสุขจากอรูปปาน mm hmm. ซึ่งความสุขเหล่านี้อยู่ในตรายภพนี้ mm hmm. อยู่ในใจนี้แหละ mm hmm. ความสุขอยู่ที่ใจ mm hmm. ความทุกข์ก็อยู่ที่ใจ mm hmm. เวลาใจได้เศษการมกุลห้า หรอได้เสบรูปประชานหรืออรูปปัจานความสุขภายในใจก็ปรากฏขึ้นมาเวลาใดที่ไม่ได้เสอรูปร ป, ปัจจานหรืออรูปปานเวลานั้นความทุกข์ใจก็จะปรากฏขึ้นมา สำหรับพวกเราส่วนใหญ่นี้เราชอบเสรีการมะคุณห้ากันส่วนใหญ่เรายังไม่เข้าถึงความสุขของรูปฌปานและอรูปฌานเราก็เลยหาความสุขจากการมะคุณทั้งห้า<ม>เวลาที่เราได้ออกไปนอกบ้าน<ม>ได้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆเราก็เกิดความสุขกันเราจึงชอบออกนอกบ้านกันชอบไปที่นั่นชอบไปที่นี่ชอบไปดูนั่นชอบไปฟังอะไรชอบไปกินไปดื่มอะไรต่างๆเพราะเป็นการสร้างความสุขให้กับใจของเราแต่พอเวลาใดที่เราไม่สามารถออกนอกบ้านได้ เช่นอยู่ในยุคที่มีโรคระบาดเช่นตอนนี้ mm hmm. เวลาโรคระบาดทีเราก็ต้องอยู่ในบ้านกันเพราะถ้าออกไปนอกบ้านเราก็อาจจะไปรับเชื้อมาและเชื้อนี้ก็อาจจะทำให้เราตายได้เราก็เลยไม่กล้าออกนอกบ้านกันช่วงที่มีโรคระบาด พอเราไม่ได้ออกนอกบ้านเราก็ไม่ได้เสบ ร, รูปเสียงกยลิ่นรสผดเถพระชนิดต่างๆพออยู่ไปได้สักระยะหนึ่งเราก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยเริ่มรู้สึกทรมานใจขึ้นมาตามลำดับนี่แหละคือผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่เราเสดกาาคุณกัน เราจะไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องพบกับความทุกข์ในเวลาที่เราจะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากกามคุณทั้งห้าได้และจะต้องเกิดขึ้นถึงแม้จะไม่มีโรคระบาดก็ตามถึงแม้จะสามารถออกไปนอกบ้านได้ไปหาอะไรต่างๆได้แต่ร่างกายของเรามันจะไม่ไปไม่ไหวเท่านั้นเอง ร่างกายเราก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆกำลังวังชาก็จะนดน้อยถดถอยลงไปเรื่อยๆพอแก่มากๆก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะออกไปหาความสุขภายนอกหรือบางครั้งก็นอกจากไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วยังมีโรคประจําตัวอีกด้วยจึงต้องไปอยู่ตามบ้านคนชรากันถ้าไม่มีลูกหลานเลี้ยงดู ถ้ามีลูกหลานเลี้ยงดูก็อยู่ภายในบ้านไปไหนก็ไปไม่ไหวเวลานั้นก็ไม่มีความสุขเหมือนกับสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเวลาที่สามารถออกไปหาอะไรต่างๆหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพมาให้กับสุขกับกับตนได้นี่แหละคือความทุกข์ของสังสารวัฏ ของผู้ที่เสพกามคุณทั้งห้าผู้ที่เสพรูปประชานกับอรูปปัจานก็มีความทุกข์เหมือนกันเวลานั่งสมาธิแล้วเข้าไปในรูปประชานหรืออรูปปัจานก็จะได้สัมผัสกับความสุขของรูปประชานและอรูปปัจานแต่พอออกจากสมาธิมา ความสุขที่ได้จากรูปฌปานหรืออรูปฌาน mm. ก็จะจางหายไป mm. ก็จะทำให้รู้สึกไม่มีความสุข mm. แล้วถ้าไม่ได้กลับเข้าไปใหม่ mm. ก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมา mm. จึงต้องคอยกลับเข้าไปในรูปฌปานในรูปอารูปฌานใหม่อยู่เรื่อย mm. mm. ๆนี่คือความทุกข์ที่เกิดจาก การเสกสิ่งที่มีอยู่ในไตพบในกามาพบก็คือกามาคุณห้าในรูปะพบก็รูปะฌานในอรูปะพบก็อรูประฌานก็ยังถึงแม้จะมีความสุขแต่ก็เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาอยู่เสมอเป็นเหมือนเงาตามตัวเราคงไม่ปฏิเสธว่าเรามีเงากัน เวลาเราเดินไปไหนนี่เราตรงไหนที่มีแสงแดดแสงสว่างนี้เราจะเห็นเงาของเราตามเรามาตลอดเวลา mm hmm. นั่นแหละ mm hmm. คือความทุกข์ที่ตามความสุขที่เราหากันมา mm hmm. ตราบใดที่เราหาความสุขในตายภพนี้หาความสุขจากการมาภพจากรูปภพและจากอารูปภพ สามนั้นเราก็ยังจะต้องเจอความทุกข์ที่จะตามมาเสมอเวลาที่ความสุขของกามาพบรูปะพบอรูปะพบนั้นหยุดลงไปขาดตอนไปช่วงที่ขาดตอนความสุขจากกามาพบรูปะพบและอรูปะพบก็เป็นช่วงที่ความทุกข์ของกามาพบรูปะพบและอรูปะพบก็จะปรากฏคือ นี่แหละคือความทุกข์ของสังสารวัฏของตายภพแล้วพอร่างกายเราตายไปเหล่านี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราคือใจผู้เสพการมาพบผู้เสพการมาคุณห้าผู้เสพรูปรูปประชานผู้เสพอรูปประชา น, นี้ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพราะเรากลับมาเกิดใหม่เราก็มาเสพการมาคุณกัน ถ้าเราเป็นผู้ที่เคยเสกกามคุณเราก็จะกลับมาเสกกามคุณถ้าเราเคยเสกรูปปัจจานเราก็จะกลับมาเสกรูปปัจจานถ้าเราเคยเสรรเรกเสรูปประชานเราก็จะเสกรูปปัจจานต่อ mm. นี่แหละคือการเวียนว่ายตายเกิดของใจของพวกเราที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายภพนี้ เพราะความชอบในการหาความสุขจากการมคุณทั้งห้าหรือหาความสุขจากรูปประชานหรือหาความสุขจากอารูปประชานเวลาเกิดความทุกข์ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ต้องทุกข์ไปจนกว่ามันจะหมดกำลังไป นานๆจะมีคนที่ฉลาดที่พยายามจะหาวิธีที่จะทำให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของตายภพบ mm ุ hmm. บคคลนั้นก็คือพระพุทธเจ้า mm hmm. ในของพุทธการในยุค ข, ของพุทธของพุทธศาสนานี้ก็คือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะตอนที่ เป็นผู้คลองเรือนเป็นคารวาสก็เป็นราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินมีความสุขจากการเสดการคุญทั้งห้าเป็นอย่างมากเพราะถ้าเป็นราชโอรสนี้ก็สามารถที่จะหาสิ่งต่างๆที่ต้องการจะเสดได้ไม่ว่าจะเป็นรูปชนิดใดเสียงชนิดใด กินดทธพะชนิดใดท่านสามารถที่จะหามาเสดได้ในชีวิตของท่านในตอนที่พระกำเป็นเป็นหนุ่มนี่ท่านมีความสุขมากท่านมีประสานสามฤดูไหว้เปลี่ยนเวลาที่ฤดูร้อนก็ย้ายไปอยู่ที่ที่เย็น เวลาที่เป็นฤดูฝนก็ย้ายไปอยู่ที่ที่แห้งที่ไม่มีฝนสามารถที่ปรับความสุขทางทางกรรมคุณได้ตลอดเวลาจึงทำให้พระองค์นี้มีความรล่าเริงมีความสุขตลอดเวลาแต่มีอย่างหนึ่งที่พระองค์นั้น ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะพระราชบิดานี้ทรงห้ามไม่ให้กระทำก็คือไม่ให้ออกไปหาความสุขนอกพระราชวังมีคำสั่งห้ามห้ามไม่ให้ออกจากกำแพงพระราชวังออกไปหาความสุขภายนอกถึงแม้จะเพียงแต่จะออกไปเดินเล่นไปเดินดูอะไรก็ตามก็ไม่ให้ดู เพราะเหตุใดพระราชบิดาจึงต้องมีคำสั่งอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติออกมาใหม่ๆทรงมีพระราศีเปล่งรัศมีออกมาสามารถประทับเดินได้ถึงเจ็ดเก้าด้วยกันจึงถือว่าเป็นบุคคลที่วิเศษเป็นอย่างมาก ไม่มีใครที่เกิดออกมาจากท้องแม่แล้วเดินได้เลยแต่เจ้าชายสิทธัตถราชกุมารนี้เดินได้จึงเป็นสัญลักษณ์ของผู้วิเศษพระราชบิดาก็เลยอยากจะรู้อนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อจเจริญเติบโตขึ้นมาก็เลยเชิญโ ห, หราจาร์ที่เก่ง ในดินแดนมาทานายดูชะตาชีวิตของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเชิญมาหลายรูปด้วยกันเพื่อความมั่นใจมไม่ได้เชิญมาเพียงรูปเดียว<ม>หลังจากที่พระโหราจารย์ทั้งหลายได้ดูความดูรัศมีความสง่าราศีของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถราชกุมารแล้ว ทั้งหมดก็ยกเว้นหนึ่งท่านทั้งหมดก็มีการทำนายไว้ว่าถ้าอยู่ครองเรือนต่อไปก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิสามารถขยายดินแดนของพระเจ้าแผ่นดินนี้ให้กว้างใหญ่ไพศาลเพิ่มมากขึ้นไปถ้าแต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระ บามศาสดาเป็นพระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกมีโหราจารย์อยู่เพียงรูปเดียวที่มีความเห็นแย้งจากโหราจารย์ทั้งหลายว่าจะมีทางเดียวเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นกับพระราชโชรสคือจะต้องออกบวชอย่างแน่นอนเพื่อที่จะได้เป็นพระบรลมศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าของโลกต่อไป เป็นผู้ที่จะมาปลดเปลื้องความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายเมื่อพระราชบิดาได้ยินได้ฟังอย่างนี้ก็เลยพยายามหาวิธีป้องกันไม่ให้พระราชโอรสคือเจ้าชายสิทธัตถะได้ออกบวชทรงเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่ออกบวชกันก็เพราะว่ามีความทุกข์ใจกันมีความทุกข์ ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายกันหรือมีความทุกข์ที่เกิดจากการต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อหาความสุขอะไรต่างๆพระราชาบิดาก็เลยพยายามกําจัดความทุกข์เหล่านี้ด้วยการสร้างปราสาทสามฤดูนี้ให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่แล้วห้ามไม่ให้คนที่เข้าไปรับใช้ในวังนี้ เป็นคนแก่คนเจ็บหรือคนตายห้ามเอาเข้าไปในวังไม่ให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย <Yeah. S 2> เพื่อที่จะได้ทำให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะไม่เกิดความรู้สึกท้อแท้ <Yeah. S 2> เบื่อหนา่าย <Yeah. S 2> กับการดำรงชีวิตอยู่ของค า, ารวะ <Yeah. S 2> แล้วก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างหาความสุขทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ เพื่อไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะเกิดความเบื่อหน่ายในการที่จะอยู่เป็นคารวะผู้คลองเลือนคือพยายามเน้นหาแต่ความสุขมาประเคนให้กับเจ้าชายสิทธัตถะตลอดเวลาเพื่อที่จะได้มีความสุขแล้วก็จะไม่คิดที่อยากจะออกบวชยิงแล้วก็ส่งห้าไม่ให้ออกไปดูนอกพระราชวังเพราะออกไปดูนอกพระราชวังก็จะเห็นอีกภาพหนึ่ง ของชีวิตจะต้องเห็นโลกของการดิ้นรนต่อสู้กันความทุกข์ยากลำบากความยากจนความวุ่นวายอะไรต่างๆแล้วก็จะต้องเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเขา mm hmm. เพราะว่าถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็อาจจะทำให้จิตใจของเจ้าชายสิทธัตถะเกิดความเบื่อหน่ายโลกขึ้นมาก็ได้ mm hmm. และอยากจะออกบวชก็ได้ mm hmm. แต่ก็ห้ามไม่อยู่โดยธรรมชาติของใจนี้ยิ่งห้ามยิ่งยุยิ่งลอมห้ามแม้ทําอะไรนี้ยิ่งอยากจะทําใหญ่ <c oughs> ห้ามไม่ออกม่ห้ามไม่ให้ออกไปเที่ยวนอกวังก็เลยยิ่งเหมือนยุให้ออกไปเที่ยวนอกวัง <c oughs> แล้ววันดีคืนดีก็เลยหาช่องทางเล่นลอดออกไปเงียบๆไม่ให้ใครรู้ <c oughs> มีคนติดตามไปคนสองคนเท่า <c oughs> น, นั้นเอง แล้วพอออกไปนอกวังก็เห็นความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้กันเห็นคนแก่เดินหลังค่อมไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เกิดก็ถามมหาเล็กที่ติดตามว่านี่เป็นไงใครนี่เขาเป็นอะไรเกิดึงต้องเดินอย่างนี้เขาเป็นคนที่มีอายุมากแล้วเขาอายุหกสิบเจ็ดสิบนี้ร่างกายเขาก็อ่อนแรงลง ทำแรงวังชาก็มีน้อยลงไปไม่สามารถบังคับให้ร่างกายยืนตัวตรงได้เวลาเดินก็ต้องอาศัยไม้เท้าช่วยค้ำช่วยประยุงเรียกว่าคนแก่ขอรับนะแม้แต่พระองค์เองต่อไปในอนาคตก็จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งเป็นการเรียนรู้ครั้งแรกของเจ้าชายสิทธัตถะถึงร่างกายของพระองค์ว่า ร่างกายของพระองค์นี้จะไม่มีกําลังวังชาจะมีรูปร่างหน้าตาที่สดสวยงดงามอยู่ตลอดเวลาต่อไปร่างกายก็จะต้องแก่ชราภาพกลายเป็นคนแก่ไปอันนี้ก็เลยทําให้พระองค์เริ่มเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมา ว, ว่าต่อไปนี้เราจะต้องเป็นคนแก่แล้วนะ ก็เดินเที่ยวต่อไปก็ไปเห็นชายคนหนึ่งนอนอยู่ที่หน้าบ้านนอนอยู่บนแค่ร้องโอดโควครคลางก็ถามมหาเลยว่าคนนี้เขาเป็นอะไรเลยถึงต้องมาร้องโอดควนคลางนี้อ๋อเขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนทุกคนแม้แต่พระองค์เองสักวันหนึ่งก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วจะทุกข์ทรมานต้องร้องโอดควรคางอย่างที่ชายคนนี้เป็นอยู่ออพอเห็นอ น, นาคตของร่างกายของพวกว่าจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็แลยยิ่งทำให้เกิดมีความออไม่สบายใจเพิ่มขึ้นไป อ, อีกก็เดินเที่ยวต่อไปเดินดูต่อไปก็เห็นขบวนแห่ศพก็ออถามว่าเขากาลังทำอะไรกันอยู่ เขากําลังแบกหามอะไรกันอยู่ก็บอกว่าเขากําลังแบกหามร่างของคนตายคนที่ไม่หายใจแล้วถ้าเก็บไว้ที่บ้านต่อไปก็จะเน่าเฟะส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็จะไม่น่าทําให้คนคนอยู่นี่อยู่กันอยากสบายก็เลยจําเป็นที่จะต้องนําเอาไปทำชาปนกิจนําไปเผาที่ริมแม่น้ํา ก็ต้องแบกศพนี้ไปญาติ <Yeah. S 1> พี่น้องที่เดินไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียคนที่รักไปน <Yeah. S 1> ม้แต่ร่างกายของพระองพค์เองสักวันหนึ่งก็จะต้องกลายเป็นซากศพไปเช่นเดียวกัน <Yeah. S 1> พอได้ยินฟังยิ่งมีความไม่สบายใจเพิ่มขึ้นใหญ่ก็เ <Yeah. S 1> ลยคิดอยากจะกลับเดินกลับวังแล้ว yeah. แล้วระหว่างที่เดินกลับวังก็ไปเห็นนักบวชเดินมาคนหนึ่งก็ถามว่าแล้วคนนี้เขาเป็นยังไงเขาถึงแต่งกายแบบนี้ไม่เหมือนคนทั่วไปเขาก็ได้คำตอบว่าเขาเป็นนักบวชเขาเป็นผู้ที่แสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆของโลกนี้พอได้ยินอย่างนี้พ่อหลวก็เลย ทำให้รู้สึกมีกำลังใจขึ้นว่าอ๋อมีทางที่จะออกจากโลกของการเกิดแก่เจ็บตายนี้หรือก็กำลังหากันอยู่แต่ก็ยังหากันไม่พบพระองค์ก็เลยคิดว่าถ้าเราออกหาบ้างเราอาจจะหาได้ก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้แหละคือสิ่งที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้า จากการมีความรื่นเริงกับความสุขของการมคุณทั้งห้าอยู่ภายในราชวัง uh huh. มีแต่จัดงานเลี้ยงงานปาร์ตี้มีมหารสพบันเทิงมีอาหารเครื่องดื่มอะไรชนิดต่างๆให้เสษให้ดื่ม uh huh. มีสนมกำนันอะไรต่างๆให้ร่วมหลับนอน uh huh. มีความสุขทุกวัน uh huh. แต่พอได้ออกไปเห็นอนาคตของร่างกายของพระองค์เองแล้วนี้ความสุขที่เคยได้รับด้วยกำลังจะได้รับนี้มันกลายเป็นจืดชืดไปทันทีมันรู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วความสุขเหล่านี้ที่ทรงได้เสกได้สัมผัสนี้จะต้องหมดไปเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือเวลาร่างกายตายไป แล้วเวลานั้นก็จะเจอแต่ความทุกข์เพราะเพียงแต่เห็นคนอื่นเป็นก็ทุกข์แล้วแล้วพอตัวเองเป็นจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรแต่ก็นึกถึงนักบวชว่ามีผู้แสวงหาทางที่จะทำให้ไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บ ต, ตายก็เลยทำให้มีความสนพัฒนยว่าถ้าเราออกบวชบ้างจะเป็นอย่างไร ก็เลยนั่งคิดอยู่ภายในใจไม่บอกใครเพราะรู้ว่าถ้าบอกก็จะถูกคนเขาห้ามทันทีหรือจะบอกว่ากำลังจะเป็นบ้านะคนที่ออกบวชนี้เขาเป็นบ้ากันทั้งนั้นเขาเป็นคนที่เหมือนกับหมดสมรรถภาพที่จะต่อสู้กับชีวิตถึงไปบวชกันเพราะผมก็เลยไม่บอกใคร แต่มีความคิดว่าวิธีที่จะทำให้พระองค์นี้ไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายนี้ต้องอยู่ที่การไปบวชนี้อย่างแน่นอนก็เลยรอโอกาสจนวันหนึ่งก็ได้โอกาสพระมเหสีคลอดพระราโอรถมหาเล็กก็มารายงานว่าพระมเหสีได้คลอดพระโอรสแล้ว พอได้ยินได้ฟังทั้นนั้นพระองค์ก็ทรงอุทานว่าว่าลาหุนราหุนนี่แปลว่าบ่วงภาษาบาลีแปลว่าบ่วงภาษาพระพุทธเจ้าตอนนั้นเรียกว่าเป็นภาษาบาลีทรงว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วหมายความว่าความรักความผูกพันของพ่อแม่ต่อลูกนี้จะทำให้ทอดทิ้งลูกไม่ได้ กระทั่งอยู่กับลูกเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตแล้วก็ต้องเป็นห่วงเป็นใ ย, ยเป็นกังวลกับลูกไปจนวันตาย<ม>พร อ, องค์จึงต้องตัดสินใจว่าจะต้องไม่ให้บ่วงนี้รัดใจของพระ อ, องค์จึงต้องตัดสินใจหนีออกจากวังไปในคืนนั้นและไม่ยอมแม้กระทั่งไปดูหน้าตาลูกเพราะกลัวว่าจิตใจจะไม่เข้มแข็งพอ เราเห็นลูกแล้วเกิดจะเกิดความรักเกิดความสงสารขึ้นมาแล้วก็อาจจะทําให้เปลี่ยนใจไม่ไปได้ก็เลยต้องตัดสินใจหนีออกจากวังไปในคืนนั้นโดยไม่บอกใครเพราะถ้าบอกก็จะต้องถูกห้ามอย่างแน่นอนก็เลยไปแบบเงียบๆโดยมี ม, มหาดเล็กคู่ใจไปส่งที่ชายแดนประทับม้าไปละมหาดเล็กก็พอถึงชายแดนพระองค์ก็ส่ง ลงจากมาแล้วก็ให้มาเล็กเอามากลับเคืนไปสู่พระราชวัง<ม>ไปบอกให้เขาว่าพระเจ้าชายสิทธัตถะไปแล้ว<ม>ไปที่ไหนไม่มีใครรู้<ม>แล้วพระองค์ก็มุ่งไปสู่หาคุูบาอาจารย์ที่เป็นนักบวช<ม>เพื่อไปศึกษาว่าเขาทำอะไรกันบ้างอย่างไรจรึงสามารถที่จะทำให้ใจเขานี้ ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย <Yeah. S 1> และทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตา ย, ยต่อไป <Yeah. S 1> ก็ทรงไปศึกษาอยู่ประมาณหกปีด้วยกันห้าหกปีก็ศึกษาได้ในระดับสมาธิระดับฌานและรูปฌานกับรูปฌานซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะดับความทุกข์ใจได้ เวลาที่เกิดความทุกข์ใจถ้าทุกข์เพราะร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายจะตายนี้ถ้าเข้าไปในสมาธิได้ความทุกข์จะเข้าตามไปไม่ได้เพราะความสงบของสมาธิคือรูปฌานจะรูปฌานนี้จะกั้นไม่ให้ความทุกข์ที่ใจไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้แต่เพียง การได้เพียงชั่วข่าวในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วออกจากรูปประฌานหรือออกจาการูปประฌานมาแล้วพอใจไปสัมผัสรับรู้เรื่องของร่างกายเรื่องของความเจ็บความตายของร่างกายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ได้ <Yeah. S 1> ไปศึกษาไปถามอาจารย์รูปไหนว่าไม่มีวิธีไหนที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์ กับความแก่ความเจ็บความตายเลยได้ไหมมีใครรู้บ้างไหม <Yeah. S 1> ก็ไปถามทุกรูก <Yeah. S 1> ก็ได้คำตอบเ <Yeah. S 1> ช่นเดียวกันไม่มีใครรู้ <Yeah. S 1> รู้เพียงแต่วิธีดับความทุกข์ใจด้วยการเข้าสมาธิระดับรูปฌปานหรืออารูปฌานเท่านั้น <Yeah. S 1> แต่พอออกจากสมาธิมานี้ใจก็ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่อีก <Yeah. S 1> ไม่มีใครรู้ว่า <Yeah. S 1> เกิดจากสาเหตุอะไร ใจหิงต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเมื่อไม่มีใครรู้ก็เลยต้องไปค้นคว้าด้วยตนเองทดลองผิดทดลองถูกเคยทดลองอดพระกายอาหารถึงสี่สิบเก้าวันคิดว่าถ้าไม่กินข้าวแล้วอดข้าวได้แล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากร่างกายจะหายไปมันก็ไม่หายจนร่างกายนี้จะตายเนี่ย ถ้าไม่กลับมากินข้าวอีกวันสองวันนี้จะต้องหมดเลี่ยวแรงตายไปองค์ก็เลยต้องปรับวิธีการทดลองใหม่ว่าวิธีนี้การทรมานกายนี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ใจได้ทรงเห็นว่าอาอความทุกข์มันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่กายมันทุกขหายไปเพราะใจสงบแต่มันสงบเพราะสติอย่างเดียวมันก็สงบได้ชั่วคราวพออจาก สมาธิมาพอสติไม่คุมใจใจก็ไปคิดเรื่องความแก่ความเจ็บความตายก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่ <Yeah. S 1> ก็เลยมาค้นคิดดูว่า <Yeah. S 1> อะไรที่ทำให้ใจทุกข์ในตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ <Yeah. S 1> ก็คือความคิดนี้เอง <Yeah. S 1> คิดไปในทางตรงกันข้ามกับความเป็นจริง คือความเป็นจริงคือร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ก็ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยเห็นว่าอ๋อความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากนี้อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอะไรเพราะไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรานี่ก็เลยพิจารณาค้นคว้าหาดูว่าแล้วร่างกายนี้เป็นเราจริงหรือไม่ ในที่สุดก็พบว่าร่างกายมันไม่ใช่เราร่างกายมันเป็นเพียงอาการ32เนี่ยก็ไล่ไปทีละอาการผมเป็นเราหรือเปล่าเวลาตัดผมทิ้งไปแล้วเราหายไปกับผมหรือเปล่าเราก็ยังอยู่หนังเป็นเราหรือเปล่าเอนเป็นเราหรือเปล่าเนื้อเป็นเราหรือเปล่าแต่ละชิ้นแต่ละอันเวลาถอนมันออกไปเชื่อมันออกไปเราก็ยังอยู่เหมือนเดิม อันนี้ก็สรุปได้ว่าอาการ 3.2 ในร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราแล้วเรามันเป็นอะไรก็เราก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่กลับมาที่ตรงนี้แล้วแม้แต่ผู้รู้ผู้คิดเมื่อพิจารณาดูอีกทีมันก็ไม่ใช่เรามันก็เป็นเพียงแต่ผู้คิดผู้รู้แต่ไม่ใช่ตัวตนเป็นความคิดเป็นความรู้เป็นการคิดเป็นการรับรู้สิ่งต่างๆเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งร่างกายก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง เหมือนต้นไม้ดินน้ำลงไฟประกอบรวมตัวขึ้นมาให้เป็นต้นไม้ให้เป็นร่างกายใจก็เป็นธรรมชาติดีอย่างหนึ่งใจก็คือธาตุรู้เป็นผู้รู้ผู้คิดทท้งนั้นแต่ไม่มีตัวตนในที่สุดพ็ะองก็สรุปลงที่อนัตตานี่ว่าร่างกายและจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเออมื่อไม่ใช่เราก็มันจะเป็นยังไงก็เราก็ก็ไม่มีปัญหาอะไร พอเราหายไปแล้วมันก็ไม่มีใครที่จะมาบบปกป้องรักษาไอ้ร่างกายหรือจิตใจก็ปล่อยให้มันเป็นไปธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนกับต้นไม้นี่ต้นไม้นี่ก็ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตนก็ปล่อยมันอยู่ไปตามธรรมชาติของมันมันอยู่ได้ก็อยู่มันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ตายร่างกายก็เหมือนกันมันอยู่ได้มันก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ตายแล้วมันก็ตาย แต่มันจะตายแบบไม่มีความทุกข์เพราะผู้รู้ผู้คิดนี้ปล่อยวางไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายผู้รู้ผู้คิดก็ทําหน้าที่ของตนเป็นธรรมชาติที่รู้ก็รู้ไปธรรมชาติที่คิดก็คิดไปแต่ให้คิดไปตามความเป็นจริงอย่าไปคิดตามความตามความอยากตามความหลงเพราะถ้าคิดไปตามความอยากตามความหลงทุกข์ก็เกิดขึ้นมาทันที ถ้าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทุกข์ก็เกิดขึ้นมาถ้าคิดว่าร mm ่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ให้มันแก่มันเจ็บมันตายไปตามธรรมชาติของมันทุกข์ก็ไม่เกิดนเวลาร่างกายแก่ใจก็รู้เฉยเฉยไปเวลาร่างกายเจ็บร่างใจก็รู้เฉยเฉยไปคิดว่ามันต้องเจ็บถึงเวลาที่มันต้องเจ็บถึงเวลาที่มันต้องแก่ถึงเวลาที่มันต้องตายใจจะคิดแบบนี้ ถ้าไม่ต้องการสร้างความทุกข์ขึ้นมามันก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่มีเราก็ไม่ใช่ผู้คิดเราก็ไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นเพียงแต่สมมติกันขึ้นมาเองใจเป็นผู้สมมติขึ้นมาเองว่าเราังนั้นสรุปลงก็ตัดคำว่าตัวเราของเราออกไปจากใจให้หมดไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราทุกอย่างเป็นของธรรมชาติ เป็นของธาตุดินน้ำลมไฟของธาตรู้นี่คือการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าทำให้พระพุทธเจ้านี้ใจกายเป็นนิพพานไปใจที่เคยเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายภพนี้ก็พลิกกลับไปกลายเป็นใจที่เป็นนิพพานไปเนี่ยขอให้เราเข้าใจสังสารวัฏตายภพนี้อยู่ในใจเรา ใจเราเป็นผู้ไปผู้เป็นตายพพเวลาเราเกิดเสบกามแล้วก็อยู่ในกามะภพละเวลาเราเสเพรูประชาเราก็อยู่ในรูประภพเวลาเราเสเพลอรูประชาเราก็อยู่ในอรูประภพเวลาเราหยุดเสพกเสพูปะชาเสเพอรูปะชาเราก็อยู่นิพพานเป็นใจอันเดียวกันนี้ใจไม่มีวันสูญไม่มีวันหายเพียงแต่พลิกเหมือนเหรียญสองด้าน ตอนนี้เหรยของเราพลิกหงายขึ้นมาในในด้านของตจพบย่นี้ถ้าเราเราพลิกมันกลับขึ้นมาให้เป็นพลิกด้านของนิพพานมันก็พลิกกลับขึ้นมาอีกด้านการจะพลิกกลับขึ้นมาเนี่ยก็ต้องอาศัยการเปลี่ยนนิสัยของเราเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของเราจากการไปรู้สึกนึกคิดว่ามีตัวเรามีอะไรเป็นของเรา จากการไปรู้สึกนึกคิดว่าสิ่งต่างๆในตายพวนี้ให้ความสุขกับเราต้องมองพลิกกลับไปทางคนละด้านต้องพลิกว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราสิ่งต่างๆในโลกนี้มีแต่ความทุกข์ให้แต่ความทุกข์กับเราไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ว่าจะเป็นรูปประชานหรืออรูปประชาญก็แล้ว ไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องพลิกจากสุขมาเป็นทุกข์ให้กับเราเพราะมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการขึ้นมีการลงมีการเกิดมีการดับแล้วเราไปบังคับมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้เวลามันพลิกจากสุขมาเป็นทุกข์เราก็วุ่นวายกัน เราต้องเปลี่ยนความคิดหมายว่าการหาความสุขจากตายพวกนี้เป็นการหาความทุกข์การหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะการหาความสุขจากรากยศสารเสริญนี้เป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่หาความสุขถ้าอยากจะหาความสุขต้องเลิกหาความสุขจากกรรมกมุณตังห้าต้องเลิกหาความสุขจากรากยศสรเสริญแล้วก็ต้องเลิกหาความสุขจากรูปประชาน และอาลูกประชานเมื่อ น, นั้นน่ะถ้าเราเลิกหาความสุขต่างๆได้ทั้งหมดเราก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็สักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆใจที่อยู่เนื่องอยู่เฉยๆเนี่ยจะเป็นใจที่ปราศจากความทุกข์และเป็นใจที่เต้นไปด้วยความสุขตลอดเวลานี่แหละคือคำว่านิพานประมังสุขขัง เป็นใจที่เต็มไปด้วยความสุขเป็นความสุขที่ยิ่งใหญน่นิบานิบาณ์บมังสุญยังเป็นใจที่สูญจากความอยากทั้งหมดสูญจากความอยากเสดกามอยากเสดลูปประชามอยากจะเสดอรูปประชาม น, นี่คือสิ่งที่จะทำให้จิตใจเราพลิกไปจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเ ห, เหมือนเหมือนมือเราฝ่ามือเรานี่มีสองด้าน เวลาคว่มก็เป็นรูปร่างหน้าตาอย่างหนึ่งเวลาหงายขึ้นมาก็มีรูปร่างหน้าตาอีกอย่างหนึ่งใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราคว่าไปในทางของกามาภกามาฏฐหาภาวะฐานหาวิภาวะัาหาใจของเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามาภพนี้ถ้าเราพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งพลิกมาในด้านที่ไม่มีกามาัฐหาไม่มีภาวตัหาไม่มีวิภาวะัาหา ใจเราก็จะเป็นนิพพานนี่นี้เองทั้งหมดนี้มันลงมาที่ใจเราอยู่ที่ใจเราเราอาจจะนั่งคิดว่าสังสารวัต น, นี้กว้างใหญ่มหาศาลเพราะเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้า น, นี่รู้สึกมันใหญ่โตมากโลกแต่ละโลกนี้มันห่างไกลมากแต่มันเป็นโลกกระธาตุมันไม่ใช่โลกของใจเป็นโลกที่ร่างกายของมนุษย์ม า, มาเกิดกัน แล้วใจก็เพียงแต่มาเกาะติดกับร่างกายของมนุษย์เพื่อหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่บนโลกของมนุษย์นี้เท่านั้นเองแต่ตัวใจเองนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตัวใจนี้อยู่ในโลกทิพย์ที่ไม่มีขนาดกว้างยาวลึกหนาเพราะใจไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดใจเป็นธรรมชาติที่รู้ที่คิดท่านั้นเองจะมีกี่แสนล้านดวง ก็ไม่ไม่ไม่ต้องมีที่อยู่เหมือนกับร่างกายน่ร่างกายนี้ต้องมีที่อยู่ถ้าสมมติว่าคนมานั่งที่นี่เต็มนั่นไปหมดนี้ก็ต้องขยายที่อยู่กันแต่ถ้าเป็นใจมาอยู่ที่นี่กี่แสนล้านจิตมันก็อยู่ได้ที่เดียวกันนี่เพราะธรรมชาติของจิตมันไม่เหมือนกับธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของร่างกายนี้ต้องมีพื้นที่อยู่อาศัย ธรรมชาติของจิตไม่ต้องมีพื้นที่อยู่อาศัยในโลกทิพนี้ไม่มีพื้นที่ไม่มีขนาดไม่มีความกว้างความลึกความยาวความสูงความต่าอะไรนี่คือเรื่องของใจที่เราจะถ้าเราศึกษาแล้วเราปฏิบัตินี้เราจะเข้าใจไปตามลำดับแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัตินี้ต่อให้ไปนั่งคิดจะไงก็คิดจนปวดหัว มันก็จะมองไม่ออกมันมันเข้าไม่ถึงต้องเข้าด้วยการปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วจิตเข้าไปในสมาธิแล้วที่จะเข้าใจมันรู้สึกว่าเหมือนกว้างยิ่งกว่าจักรวาลแต่ในขนาดเดียวกันก็รู้ว่ามันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ที่จุดเดียวมันก็เลยไม่รู้ว่ามันจะว่ากว้างดีหรือว่าจะว่ามันแคบดีมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดแล้วก็ไม่สาคัญสาคัญที่ ใจสุขหรือใจทุกข์เท่านั้นเองที่เป็นประเด็นสําคัญต่อใจใจทุกข์ใจก็ทรมานใจสุขใจก็สบายดัง <Yeah. S 2> นั้น <Yeah. S 2> เป้าหมายของเราก็คือทําใจให้สบาย <Yeah. S 2> อย่าทาใจให้มันทุกข์ <Yeah. S 2> แล้วก็วิธีศึกษาให้รู้ว่าแล้ววิธีของความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรกัน <Yeah. S 2> ความทุกข์ของเราก็เกิดจากสองอย่างด้วยกัน อย่างหนึ่งก็การกระทำบาปทั้งหลายนี่เวลาเราทำบาปทีแรงใจเราจะไม่สบายใจถ้าไม่อยากจะทุกข์กับการกระทำก็อย่าไปทำบาปเสียรักษาสินห้าให้ได้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดประเวณีจากการพูดปดจากการดื่มสุรายาเมาเพราะเวลาเมาแล้ว เ, เดี๋ยวก็ไปอารวาส ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้หรือกับตัวเองเดี๋ยวตัวเองก็เจ็บตัวไปอาว่าเดี๋ยวก็ถูกคนอื่นเข้าม า, ามามามาสงบสติอารมณ์อาจจะถูกตบถูกตีเจ็บตัวพอดื่มสุลรามากๆแล้วมันจะมึนเมาเลยต้องห้ามไม่ให้ดื่มสุลาด้วยอย่าไปทำกิจที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้ ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะกาจัดความทุกข์ใจอีกวิธีหนึ่งก็คือเนี่ยต้องกาจัดความอยากทั้งสามนี้ความอยากเศษกามเพราะในโลกของกามคุณนี้มันไม่เทียมมันเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เวลาความสุขหมดความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่รูประฌานกับอรูปฌานก็เหมือนกันก็เลยต้องระงับความอยากทั้งสามความอยากเศษกรมการมตัณหา ความอยากเสพ ร, รูปประฌานเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากจะเสพอรูปประฌานเรียกว่าวิภาวะตัณหา <Yeah. S 1> ถ้าหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ความทุกข์ก็จะไม่มีในใจต่อไปและความทุกข์ที่จะไปเกิดใหม่ก็ไม่มีต่อไปด้วยเพราะเหตุที่จะดึงให้ไปเกิดไปมีร่างกายก็เพราะความอยากในทั้งสทั้งสามสิ่งนี้เองอย่างใน อยากในการอยากในรูปฌานอยากในอูรประฌานก็ต้องมีร่างกายพออยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นแล้วก็ต้องมีร่างกายอยากจะอยากจะเข้ารูปฌานเวลารูปฌานเสื่อมก็ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ก็ต้องมีร่างกายก็เลยต้องกลับมาใหม่กลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายใหม่ พอมีร่างกายใหม่ก็มีแก่เจ็บตายตามมาใหม่มีเรื่องทาบาปตามมาหายตามมาอย่างที่มีกันอยู่ในทุกวันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยถูกความอยากผลักดันให้ไปทําบาปแล้วก็ถูกความอยากผลักดันให้เราสร้างความทุกข์ใจเช่นเวลาอยากจะออกข้างนอกบ้านออกไม่ได้ช่วงนี้โรคระบาดก็ทุกข์ใจแล้วแต่ถ้าไม่มีความอยากออกนอกบ้านเย ไม่อยากจะเสพการอยู่ในบ้านทัานานเท่าไหร่ก็ไม่ทุกข์ใจนี่แหละคือการตัดสลูของพระพุทธเจ้าเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดและการออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากความสามารถของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเองไม่มีใครมีความรู้ความสามารถความฉลาดเท่ากับพระพุทธเจ้า เท่ากับเจ้าชายสิทธัตถะที่สละราชสมบัติแล้วออกบวชแล้วมาค้นหาสัจธรรมความจริงว่าอะไรที่ทำให้สัตว์โลกต้องมาทุกกับการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นก็พ้นเพราะว่าเกิดจากอวิชชาคือไปคิดว่ามีตัวตนคิดว่าตนหนึ่งไปคิดว่ามีตัวตนคือตัวรู้เป็นตัวตนไปไปคิดว่าตัวตัวตนตัวคิดตัวรู้นี่คือตัวตน แล้วก็ไปได้อะไรมาก็คิดว่าเป็นของเราทันทีได้ร่างกายมาก็คิดว่าเป็นเราเป็นร่างกายไปร่างกายเป็นเราไปแล้วพอร่างกายไปได้อะไรมาก็ไปยึดว่าเป็นของเราอีกได้สามีก็ยึดยยว่าเป็นของเราได้ภรรยาก็ยึดว่าเป็นของเราได้อะไรมาก็ยึดไปหมดว่าเป็นเร like าของเราเป็นของเราเพราะมีเราเนี่ยมีเราผู้ไปหามาผู้หามาก็คือผู้รู <fur í> ้นี่เอ ผู้รู้ว่าผู้รู้รู้ว่าถ้าอยากจะมีความสุขก็ต้องไปหาสิ่งเหล่านี้มาหาสามีหาภรรยามาให้ความสุขมีสามีภรรยาแล้วก็บางทีไม่มีลูกก็อยากจะมีลูกอีกเพราะคิดว่ามีลูกแล้วจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกแต่หารูไ้ไหมว่าเป็นการหาความทุกข์เพิ่มขึ้นทีละกองได้สามีได้ภรรยามาก็เอาความทุกข์มาเพิ่มหนึ่งกองได้ลูกมาก็เพิ่มอีกหนึ่งกอง ได้ทรัพย์สมบัติมาก็เพิ่มอีกหนึ่งกองได้อะไรมามันเป็นความทุกข์ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยมเวลาได้มาใหม่ๆมันสุขยอมรับเวลามันดีมันสุขแต่พอเวลามันไม่ดีเนี่ยเวลามันเสียมันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาคนฉลาดจะต้องมองเห็นให้ตั้งแต่ต้นจนจบคนโง่จะเห็นแต่ตอนต้นเห็นตอนที่มันสุข แต่ไม่เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวได้ไม่ช้าก็เร็วมันจะกลายเป็นความทุกข์ไปมองไม่เห็นกัน <S <S <ม>เพราะไม่คิดอย่างรอบคอบนั่นเองคิดแต่จะเอาส่วนที่อยากที่ชอบท่านึ่ ง, งไม่ได้มองเห็นว่าส่วนที่เราชอบนี้มันมีส่วนที่เราไม่ชอบติดมาด้วยเหมือนกินปลาเนี่ย บางคนไม่รู้ปา่าคิดว่าเป็นเนื้อปลาล้วนๆพอกินเข้าไปแล้วถูกก้างตามคอถึงจะรู้ว่าปลานี่มันมีก้างด้วยนะ mm hmm. คนฉลาดก็เลยหาปลาที่ไม่มีก้างกินดีกว่า mm hmm. กินแล้วไม่มีก้างมาตามคอนี mm ่ hmm. แต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ในทั้งไตรภพนี้ที่ไม่มีความทุกข์ mm hmm. มีมีที่เดียวเท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์ก็คือนอกไตรภพนี้เองคือการอยู่นอกไตรภพ และการจะออกจากนอกตายภพได้ก็ต้องตัดความอยากที่เป็นตัวเชื่อมจิตให้ติดอยู่ในตายภพนี้ตัดตัวนี้ออกไปให้ได้ตัดกามทันหาตัดภาวะทันหาตัดมิภาวะทันหาด้วยการสร้างปัญญาให้เห็นว่าใจนี้ไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เราตัวเราของเราใจเป็นเพียงผู้รู้ผู้คิดเท่นั้นเองใจไม่จาเป็นจะต้องไปยึดไปถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเรา เพราะเมื่อเกิดมีความยึดแล้วมันจะเกิดมีความอยากอยากที่จะให้ของที่เป็นเราเป็นของเรานี้ดีอยากจะให้มันอยู่กับเราอยากจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันจะดีไปเรื่อยๆให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆไม่มีนี่ต้องเห็นด้วยปัญญาความจริงทานสอนจริงๆเนี่ยต้องสอนตั้งแต่สัมมาทิฏฐิคือเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นของเรา จับเบธมาณตาทำทั้งหลายคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในตจภพนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนต้นไม้เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไม่มีตัวตนแต่ตัวรู้นี่มันหนงไปสร้างตัวตนขึ้นมาในใจไปคิดว่าตัวมันเป็นตัวตนก็เลยไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆที่มันได้มาครอบครอง ว่าเป็นของเราเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วก็เลยต้องไปทุกข์กับของที่เป็นเราเป็นของเราสังเกตดูสิเวลาของที่ไม่ใช่เป็นของเราเนี้เรามักจะไม่ทุกข์ด้วยะร่างกายคนอื่นเราไม่ทุกข์เลยร่างกายคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายเมันเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราแต่พอร่างกายของเรานี้ทุกข์ขึ้นมาทันทีหรือร่างกายของคนที่เราไปไปถือว่าเป็นของเราก็ทุกข์เห็นร่างกายของพ่อแม่เราก็ทุกข์ ร่างกายของลูกก็ทุกข์ร่างกายของสามีของภรรยาก็ทุกข์นี่มันเป็นความคิดท่านนั้นเองความหลงหลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วมันก็มาสร้างให้เราเกิดความอยากขึ้นมาอะไรเป็นเราเป็นของเราก็อยากจะให้มันเป็นนิจจังสุขขังเป็นอัตตานิจจังก็คือให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆให้มันดีไปเรื่อยๆให้มันเป็นความสุขไปเรื่อยๆให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆ แต่ตามความเป็นจริงของโลกนี้มันไม่มีหรอกในโลกนี้ที่จะเป็นอย่างนี้ดัอองนั้นเราต้องมาแก้ที่ใจของเราด้วยการสอนใจเราว่าไม่มีอะไรเป็นของเรานะ เ, ออเพื่อเราจะได้จะได้ไม่ไปทุกข์กับเขานั่นเองพอเราเห็นว่าไม่ได้เป็นของเราเราก็ไม่สนใจแล้วไม่แยแสแล้วใช่หไหมคนอื่นเขาจะเป็นยังไงจะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่เห็นเดือดร้อนคนอื่นเขาจะล่มจมชิบหายตาย หมือเป็นอะไรไปเราก็ไม่เดือดร้อนแต่พออะไรเป็นของเราหน่อยนี่โอ้กังวลขึ้นมาเลยแม้แต่ของชิ้นเล็กๆนี่พอไปรักไปหวงมันแล้วทีนี้เวลามันเกิดอะไรขึ้นมานี้ก็วุ่นวายใจขึ้นมาทันทีนั้นต้องปล่อยวางให้ได้ต้องสอนใจสอ น, นว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราเป็นเพียงผู้รู้คู้คิดให้รู้เฉ ย, เฉยๆเห็นอะไรก็รู้ไป ร่างกายมันแก่ก็รู้ว่ามันแก่ร่างกายมันเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บร่างกายมันตายก็รู้ว่ามันตายปล่อยวางสมบัติของเรามันจะมาก็รู้ว่ามันมามันจะไปก็รู้ว่ามันไปเพราะเราถ้ามันจะไปแล้วเราห้ามมันไม่ได้มันก็ต้องไปงั้นเราอย่าไปทําอะไรกับอะไรให้รู้เฉยๆถ้ามันมาเราก็ดูแลรักษาได้กับดูแลไป เวลาไปห้ามมันไม่ให้มันไปไม่ได้ก็ปล่อยให้มันไปก็เท่านั้นเองใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรใจเราก็จะไม่มีความอยากใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจของเราก็จะอยู่ในฝ้าของนิพพานเพราะว่าเราจะตัดความอยากทั้งสามได้ถ้าเห็นว่าความสิ่งที่เราอยากได้ในตายภพนี้เป็นทุกข์ เพราะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรา <Yeah. S 2> ให้มองอย่างนี้ให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา <Yeah. S 2> แล้วใจของเราก็จะได้หยุดความอยากต่างๆได้ <Yeah. S 2> แล้วใจของเราก็จะได้พบกับความสุขที่ไม่ต้องดิ้นหาเ <Yeah. S 2> พราะความทุกข์ดับไปความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาทั้งสามดับไปความสุข ก็โผลขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปดิ้นหาค้นหา น, นิพพานังประมังสุขขังนี่มันจะโผกขึ้นมาเองเวลาที่ความอยากทั้งสามนี้หายไปจากจิตจากใจถ้าหายแบบฌานมันก็หายแบบชั่วคราว mm hmm. เวลาเราเข้าฌานรูปฌานรูปฌานความอยากทั้งสามก็หายไปแต่หายแบบชั่วคราวพอจากสมาธิมาปั๊บ พอเริ่มไปคิดว่าไอ้นั่นเป็นเราเป็นของเราก็เกิดความอยากขึ้นมามมันก็ทามันก็กลับมาใหม่ความทุกข์ก็กลับมาใหม่แต่ถ้าเป็นนิพพานนี้ไม่คิดว่าอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่มีความอยากที่จะให้มันเป็นของเราไม่มีความอยากที่จะหาความสุขจากมันเพราะเห็นมันด้วยปัญญาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ในที่สุดจะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไป นี่แหละคือเรื่องของจิตใจที่ไม่มีใครรู้เรื่องมาก่อนถ้ามีพระพุทธเจ้ามาตัดสุลเรื่องของจิตใจเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจเรื่องของการหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดสู่พระนิพพานนี้จะไม่มีใครสามารถที่จะหลุดออกจากกองทุกข์นี้ไปได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาแล้วเริ่มเอาความรู้นี้มาสั่งสอนเนี่ย คนเริ่มสามารถออกจากกองทุกข์กันได้เป็นจำนวนมากเลยจึงปรากฏเป็นพระาอาริยสงสาวกขึ้นมาพระาอารหันตสาวกนี่คือผู้ที่สามารถทำตามที่พระเจ้าสอนได้หยุดความอยากทั้งสามได้พลิกใจจากใจที่เป็นสังสารวัฏกลายเป็นใจที่เป็นนิพพานได้<ม><ม>แล้วก็มาทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่คาสอนนี้มาอย่างต่อเนื่อง 2,500 กว่าปีนี้ที่คาสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่ตายไปยังไม่หายไปย mm. ก็เพราะมีพระอาหารหันตสาวกมาคอยช่วยสอนช่วยคอยต่อยอดให้อยู่ทุกยุคทุกสมัยพวกเราก็เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในผู้นั้นก็ได้เพราะก่อนที่จะเป็นพระสาวกก็ต้องเป็นผู้ที่มาศึกษาฟังเทศฟังธรรมก่อนพอฟังเทศฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธา อยากจะหลุดออกจากกองทุกข์ก็ไปปฏิบัติไปบวชกันไปรักษาศีลไปฝึกสมาธิเข้าฌานไปก่อนแล้วพอมีฌานแล้วก็มาสอนใจว่าไม่มีอะไรเป็นเราของเราไม่มีอะไรที่จะเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอด <Yeah. S 1> เพื่อจะได้ตัดความอยากในสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในใจครบร้อยให้หมดไปได้ อาไม่ช้าก็เร็ว ก, ก็กลายเป็นพระสาวกขึ้นมาได้แล้วก็จะได้ช่วยทาหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปาศาสนาพุทธก็จะอยู่อย่างนี้ไปได้อีกเวลาอันยาวนาะนอุตตเจ้าทรงทานายว่าห้าพันปีนี่ก็ผ่านมาสองพันร้อกว่าปีแล้วอาจารได้ยังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมมีการเผยแผ่ธรรมอยู่าศาสนาพุทธก็จะอยู่ต่อไป ศาสนาพุทธไม่ได้อยู่ด้วยถาวราวัตถุเช่นโบสเจดีย์พระพุทธรูปอะไรต่างๆเหล่านี้ของพวกนี้เป็นเหมือนเครื่องประดับของพระพุทธศาสนามีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่สิ่งที่จะต้องมีที่จะดำรงพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปได้ก็คือการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุธรรมและการเผยแผ่ธรรมที่พวกเรากําลังมาทำกันอยู่ในขณะนี้นี่แหละคือวิธีที่จะ ยังประโยชน์ให้กับตัวเราเองและประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไป<ม>ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ากันนี่คือเรื่องที่จะมาฝากท่านในวันนี้ในวันพระก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยะถาวาริวาาปุราริปุเเนติสากลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิดวะเมวะสมิจจตุสัพเทโพเณตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามมณิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันตุ สัพพโรโควินาศสัตวมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวาภิวาตนะสีลิสานิจังุทธาปจายโนจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลั ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรถ้าอยากจะถามก็เชิญเข้ามาถามได้มีไมโครโฟนให้ท่านได้อ่านได้ถามถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่ของดการถามหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วไม่สะดวกวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่กานนมัศการะอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้ยอดผู้ชมทางเ c e b o o k มี397ท่าน y o ย t u b บ236ท่านวิทยุออนไลน์8ท่านผู้รับฟังหน้าคุติ51ท่านรวมทั้งหมดเป็น692ท่านเจ้าค่าะมีคำถามก็เชิญถามได้เลยก่ยวกับมัสการอจาจนะคะ่ะอยากถามเกี่ยวกับเรื่องขัน ขันสี่ขันนะคะหมายถึงอะไรอาจาก็นามาขันไงนามาขันมีสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาก็คือความจำได้หมายรู้สังขารก็คือความคิดตุงแต่งวิญญาณก็คือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาทางตาหูจมูกมือกายถ้าอย่างนั้เรา ขันเดียวอะค่ะปิดขันนะขันเดียวก็ลูกเป็นรูปประขันน่่งกายก็คือมันจะมีหนึ่งขันเดียวสี่ขันห้าขันรวมกันก็เป็นห้าขันน่่งกายเรารวมกับนามะขันก็เป็นห้าขันมีคำถามฝากถามจากนาคุตินะคะช่วยอธิบายประโยคที่ว่า นิพพานนางปรมงังสุญยังให้เข้าใจหน่อยครับก็คือใจว่างจากกิเลสตัณหาไงกิเลสตัณหาที่เคยพาให้ใจตั้งเวียนว่ายตายเกิดมันหายไปหมดมันก็สูญหายไปหายสาบสูนญใจก็เลยเป็นใจที่ว่างจากตายพบตายที่ว่างจากการเวียนว่ายตายเกิดใจว่างจากรูปประชานารูปประชานว่างจากกามคุณทั้งห้า ยมขอกราบอนุญาตสอบถามเรื่องของมรแปดกับมรสี่ผลสี่ค่ะเหมือนกันเนี่มรแปดนี้เป็นมรที่พูดถึงภาพรวมของการปฏิบัติคือต้องมีศีลสมาธิปัญญาพูดง่ายๆก็รวมกันก็เป็นมรแปดศีล ส, สมาธิปัญญานี่ก็รวมกันก็เป็นมรแปด ศีลก็สัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาชีโวสมาธิก็สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปทีนี้เวลาปฏิบัติมันก็มักนี้ก็จะแบ่งเป็นขั้นของโสดาบันขั้นสกิดาคาขนาณาคามักนี้จะแบ่งตรงที่ ขั้นปัญญาขั้นศีลกับขั้นสมาธินี้เหมือนกันหมดก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นอริยมรรคได้ต้องต้องปฏิบัติศีลสมาธิให้ได้ก่อนต้องรักษาศีลให้ได้บริสุทธิ์แล้วก็สมาธิก็ต้องได้รูปฌานอย่างน้อยรูปฌานขึ้นไปเรื่อรูปฌานอันนี้ต้องมีก่อนพอมีแล้วทีนี้ก็มาเจริญสมาธิฏิสมมาสังกปร ค, คือปัญญาของแต่ละขั้น ของขั้นสวสดาบันก็จะมักขันห้าไม่ใช่ตัวตนล า, ากษายาทิฐิอันนี้ก็เป็นมักเวลาจะพิจารณาขันห้าววาร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาเราก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เราก็บรรลุเป็นสวสดาบันได้ไม่ไม่ทุกข์กับร่างกายกต่อไป ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายอันนี้ก็ขั้นสุดาบมั น, มนก็เป็นพอพิจณามากได้เสร็จผลก็เกิดขึ้นมาเคยตัดสังโยชน์ได้ตัดความเห็นที่ว่าร่างกายเป็นเราของเราได้ตัดความทุกข์ที่เกิดจากการไปยึดไปติดกับร่างกายได้ไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไป ต้อค่ะขอบพระคุณค่ะอีกหนึ่งขอยนุาอีกหนึ่งถามนะคะในสมัยพุทธกาลที่องคุลิมันท่านได้ทําบาปมาเนี่ยจนเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระสงฆ์อริยสาวกเนี่ยจนทําให้ท่านสามารถบรรุธรรมได้ถ้าเปรียบเทียบกับประชาชนในยุคปัจจุบันนะคะในอดีตที่เคย ผิดศีลมากหรือว่าทำกรรมที่ไม่ไดีมาสามารถที่จะบรรลุธรรมเหล่านี้ได้ไหมจะค่ะมันขึ้นแต่กรณีนะอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องกรณียกเว้นมากกว่าจะไปพูดโดยภาพรวมไม่ได้แต่ละคนนี้อาจจะมีของดีซ่อนอยู่แต่ถูกของไม่ดีามามาปิดบังไว้ก่อนแล้วพอเอาของไม่ดีออกไปได้ของดีก็พุ่ออกมาได้ อ, อ, องคุลิมาเนี่ยเขาก็มีความดีอยู่เยอะ แต่เขาถูกความหลงถูกอาจารย์หลอกให้เห็นผิดเป็นชอบแล้วพอไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาแก้ความเห็นผิดนี้ก็เอาความไม่ดีออกไปจากใจเขาความดีก็ที่มีอยู่ในใจก็พุ่งออกมาทำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นี่เป็นเรื่องของของแต่ละคนนี้จะไปพูดแบบรวมๆไม่ได้มันมีทั้งตรงกันข้าว่าพระเทวทัศน์นี่สะสมความดีไว้มากแต่ก็ มาเอามาถูกความหลงมาหลอกให้ไปทําบาปไปฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ความหลงนี้ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็แก้ไม่ได้ยังต้องมาเสียใจในภายหลังเวลาทําไปแล้วก็เลยต้องไปใช้กรรมต่อไปแต่สุดท้ายท่านก็ได้บรรลุเป็นพระก็นั่นแหละก็ต้องใช้กรรมก่อ น, นเพื่อที่จะลบล้างความชื่วที่มีในใจให้หมดไปก่อน แล้วความดีที่ท่านได้สะสมมามันก็จะออกมาทํางานต่อไม่ได้ดส่วนเราวันที่อยู่ในยุคปัจจุบันถ้าเราได้พบพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราสามารถที่จะบรรลุธรรมรุดพร้อมๆกับการปฏิบัติธรรมด้วยได้เฉ <พบ S 2> ยๆมันไม่ได้หรอกพบแล้วต้องเรียนต้องศึกษาต้องปฏิบัติเกาะชายพ้าเหลืองเฉยๆไม่ได้ต้องต้องเรียนรู้ต้องปฏิบัติถึงจะได้ ถึงแม้ไม่ได้พบตัวเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือธรรมะก็ถือว่าได้พบตัวเหมือนกัน mm. มันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องไปเจอหน้าเจอตากันนั่งจ้องมองกันที่หน้าน mm. อันนั้นเป็นร่างกายร่างกายมันเป็นเพียงเครื่องมือของการเผยแผ่ธรรมะสิ่งที่เราต้องการคือธรรมะที่ออกมาจากปากของท่า น, นเช่นเวลาเรามีความสงสัยอะไรก็ถามแล้วท่านก็ตอบปัญหาให้เราได้มันก็ทําให้เรา กำจัดอุปสรรคที่ขวางทางเราได้คำถามความไม่เข้าใจนี้เป็นตัวอุปสรรคของการปฏิบัติอย่างขอบพระคุณคานั้นคนที่เจอพระอริยะเยอะแยะไม่ได้จะรรลุเป็นพระอริยะกันทุกคนบางคนเ็าเป็นบางคนก็ไม่เป็นเหมือ น, นคนเคถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีคนมาศึกษากับพระองค์เยอะแ ย, ยะไปหมดทำไมไม่ทำไมทุกคนที่มาศึกษาไม่ได้ไปนิพพานน พระุทธเจ้าลอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็สอนเหมือนกันให้กับทุกคนนะแต่คนจะไปไม่ไปอยู่ที่เขาปฏิบัติถึงไม่ถึงนอ่ไม่ต้องไปกังวลกับคนอื่นกังวลกับตัวเราดีกว่าเราปฏิบัติถึงหรือไม่ถึงนีกว่าศินเราบริส่วนด้วยยังสมาธิเรามีหรือยังปัญญาเราเห็นหรือยังลองนี่มากกว่าอย่าไปกังวลกับเรื่องคนอื่นมากมเกินไปรู้ไว้เป็นเครื่องประกอบให้รู้ว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะไปได้ทุกคนถ้ามีมรรคแบบสมบูรณ์ทำมรกให้สมบูรณ์ทำให้ศีลสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์แล้วมรรคผลนิพพานก็จะตามมาแน่นอนมีคำถามจากคุณนรงชยัยกราบนมรมสการครับขอโอกาสกราบเรียนถามครับใจที่ไปเกิดในภพภูมิต่างๆ ตามพิบัตแห่งกรรมและบุญบาปที่พระอาจารย์บอกว่าไม่มีวันตายนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่ามาโนธาใช่ไหมครับผมเคยอ่านพบในพระไตรปิฎกหัว ข, ข้อเรื่องจิตเจกรบาสาธุครับเป็นอะไรนะเป็นมโนธาตมะมโนธาเจ้าค่ะมโนธาก็ธาตุรู้เนี่ยมโนก็เกิดใจ มีมีชื่อหลายชื่อธาตุรู้ผู้รู้ผู้คิดมนโนใจจิตก็ตัวเดียวกันนะั้นคำถามจากคุณนิาพาภรณ์กราบนมัสการเจ้าค่ะขอสอบถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการโกหกค่ะอยากทราบว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งใจโกหกใครแต่บางครั้งเราพูดไม่หมดเพื่อรักษานาใจกันถือว่าผิดศีลไหมคะ แต่ถ้าผิดศีลแล้วบางเหตุการ์เรายังไม่อยากบอกให้ใครรับรู้แล้วเขาสอบถามเราเราก็รับรับไปแบบนี้ก็ถือว่าผิดศีลเหมือนกันไหมคะพระอาจ า, ารย์ถ้าเราไม่พูดไม่ผิดนะเขาถามอะไรแล้วเราไม่พูดแล้วเขาไ่คิดว่าเราตอบเขาแล้วก็เรื่องของเขาแต่เราไม่ไดต้ตอบแต่ถ้าเราพูดมันถึงนี้ผิด แต่ถ้าเราไม่พูดไม่ผิดเราเฉยๆว่าแล้วเขาไปแปลความหมายของความเฉยของเราว่าใช่งก็ช่วยไม่ได้เขาไปแปลของเขาเองแต่เราไม่ได้เป็นคนบอกให้เขาแปลอย่างนั้นใชค่ะคำถามจากคุณเพชรน้ำหนึ่งขอาการครับเมื่อจิตเป็นกลางแล้วต้องรักษาจิตที่เป็นกลางเราควรที่จะ เพอยู่กับความเป็นกลางหรือปล่อยตามธรรมดาของมันหรือพิจารณาอย่างไรครับขอคําแนะนําครับเวลามันออกจากการเป็นกลางก็มีสองวิธีที่จะกลับให้มันเข้าไปสู่ที่เดิมก็คือสติเนึ่ยพอจิตเริ่มกระเพื่อมเริ่มอยากนู่นอยากนี่ก็พุโทโธพุโทโธไปมันก็กลับเข้าไปเป็นกลางได้ใหม่แต่มันก็ต้องคอยทําอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะต้องทำหนึ่เดียวแล้วไม่ต้องทำอีกก็คือใช้ปัญญา อมันอยากกวบอะไรก็พิจารณาให้เห็นว่าเป็นทุกข์พอเหนเป็นทุกข์มันก็ไม่อยากนะต่อไปคําถามจากคุณณภศรเคยอ่านเจอมองสิ่งปฏิกูลเป็นไม่ปฏิกูลและมองสิ่งไม่ปฏิกูลเป็นปฏิกูลหมายความว่าอย่างไรครับพระอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้ดูหน่อยคะอ่ะอ่าไม่รู้เหมือนกันสิ่งที่เป็นปฏิกูลมันไม่เป็นปฏิกูลตรงไหน ย่มันไม่เป็นตอนที่มันไม่เป็นนะสิเช่นอาหารเนี่ยเวลามันอยู่ในจานมันก็ไม่เป็นปฏิกูลนี่ยแหละพอมันออกมาจากท้องเนี่ยมันก็กลายเป็นปฏิกูลก็เวลาออกมาจากท้องก็นึกถึงว่าตอนนี้มันเป็นอาหารนี่ยมันก็มันก็ไม่เป็นปฏิกูลเช่นบางทีเราลังเกตอุจจาระเนี่ยแต่พอเราต้องจับอุจจาระเราคิดว่าเราจับอาหารที่อยู่ในจานแต่อาหารที่อยู่ในจานมันเปลี่ยนสภาพมันเป็นอุจจาระนั่นเองเรามองกลับไปกลับมาอย่างนี้ ส่วนเวลานึกถึงอาหารในจา์แล้วอยากจะกินก็นึกถึงว่าเวลามันเป็นอุจุจระมันจะได้ไม่อยากกินคำถามจากคุณแม่มดการทาบุญคือการเติมใจให้และรู้สึกถึงความตั้งใจให้อย่างบริสุทธิ์จะได้หรือไม่อยู่ที่คนรับเราอย่าไปคิดคาดหวังจากการให้ใช่หรือไม่เจ้าคะ คือการให้่ะเราไม่ต้องไปหวังอะไรจากใครหรอกเพราะการให้นี้มันเราเราได้แล้วจากการให้ของเราคือความอิ่มใจสุดใจใ<ช>แต่ถ้าเราไปหวังอะไรจากใครนี่มันอาจจะทําให้เราเสียใจก็ได้เวลาเราไม่ได้อยา่างสิ่งที่เราอยากจะได้จากเขาหรือบางทีให้แล้วเพื่อให้เขายิ้มให้เราอย่างนี้แล้วเขาไม่ยิ้มให้เราอนี้ก็เสียใจละหรือให้ของก็แล้วอยากจะให้เขาอดีใจวิ่งเข้ามาก่อน่านี้เขาบอกเอออะไรเว้ โยนทิ้งไปนี่เราก็เสียใจเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังอะไรจากเขาคิดว่าเขาต้องการสิ่งนี้จําเป็นก็ให้เขาไปเขาจะแสดงความยินดีหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาเราเห็นว่าเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วก็ซื้อเสื้อผ้าให้เขาใส่เขาจะไม่ชอบว่าชุดนี้ไม่สวยก็ช่วยไม่ได้เราไม่ได้คิดถึงความสวยงามเราคิดถึงหน้าที่ของเสื้อผ้ามีว่าช่อยปกปิดร่างกายนั่นเอง เราก็เราก็ได้ความสุขแล้วเราได้ช่วยเขาจากการที่ไม่มีเสื้อผ้าสวมสสยก็มีเสื้อผ้าสวมใส่แต่ถ้าเราจะไปหวังว่าเขาจะต้องดีใจถูกใจกอนเราอะไรอย่าไปหวังถ้าเกิดเขาไม่ดีใจไม่ถูกใจเราจะทำะไงเราเสเราก็เสียใจนั่นทาบุญแล้วอย่าไปหวังอะไรจากใครเราคิดด้วยด้วยปัญญาว่าจําเป็นจะให้เขาหรือไม่ควรหรือไม่ถ้าคิดว่าควร ให้เขาแล้วก็ได้รับประโยชน์ช่วยบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนก็ให้เขาไปส่วนเขาจะมีปฏิกิริ ย, ยางไงนี้มันเราไปควบคุมบังคับใจเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ยินดีคราวหน้าก็ไม่ให้มันแล้วให้มึงแล้วมไม่ดีใจคราวหน้ากูก็ไม่ให้มึงดังนั้นคนฉลาดเวลารับของอะไรมาต้องแสดงความดีใจถึงแม้ว่าภายในใจจะไม่อยากได้ก็ตามก็ต้องเออสาธุสาธุาธดีใจเพื่อคราวหน้าเขาจะได้ให้ใหม่เองได้ เราไปทำก็ไม่อยากได้้าหน้ก็อย่าไปหวังเลยคำถามจากคุณรัชดาวานันกราบนมัสการค่ะเวลานั่งสมาธิและชอบหลับจะแก้อย่างไรดีคะลูกก็มาเดินหรือไปนั่งที่มันน่ากลัวไปนั่งในป่าช้าแล้วรับรองได้ไม่มีวันหลับนะ คำถามจากคุณรัชดาวานแม่ชีนั่งสมาธิดูลมค่ะบางครั้งมีแมลงหรือสิ่งรบกวนและเอาจากสมาธิค่ะทันหันหลังเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างทำยังไงดีคะก็วันหลังก็เข้าไปในมุ้งเสียเวลานั่งเข้าไปในห้องที่ไม่มีอะไรเข้าไปได้จะได้ไม่มีอะไรมารบกวนเราถ้าสมาถ้าสติเรายังไม่แข็งพอ เฉไม่ได้เวลาอะไรมาเกาะมากัดก็ต้องเลิอกอย่างนี้ก็ต้องหามุ้งมากลางหรืออะไรแต่ถ้าเราฝึกไปนานๆบางทีเราทนได้มติมจะมากัดบ้างอะไรก็ปล่อยมันกัดไปยุงกัดก็ปล่อยมันกัดไปมันกัดเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมันก็ทเราก็นั่งทําสมาธิของเราต่อไปได้คําถามจากคุณตาหวานศิริรัศมี กราบเรียนถามพระอาจารย์สองข้อคะ่ะข้อที่หนึ่งวิปัสนาคือการศึกษาธรรมะให้เข้าใจท่องแท้ใช่ไหมคะใช่การศึกษาสิ่งต่างๆที่เราไปอยากได้โดยเฉพาะสิ่งที่เราอยากได้อยากได้ไรายศึกษาให้เห็นว่ามันสุขจริงหรือไม่หรือมันมีทุกข์ผสมมาด้วยคำถามข้อที่สอง การระลึกถึงความไม่แน่นอนคือหนูต้องระลึกตลอดเวลาจนเวลาอะไรเกิดขึ้นหนูรู้สึกเฉยเฉใช่ไหมคะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะใช่เพราะหนูรู้ทันไงรู้ว่ายไงไม่ต้องไม่แน่นอนมันต้องเปลี่ยนไปเอามันเปลี่ยนก็จะได้ไม่ไม่ตื่นเต้นตกใจเสียใจเพราะรู้ว่ารู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มีคําถามจากคุณ ไม่ประสงค์ออกนามค่ะขออนุญาตเรียนสอบถามพระอาจารย์ค่ะในสถานที่ต่างๆมักมีศรลเจ้าที่ตั้งอยู่เช่นศาลเจ้าที่ประจารํามมหาวิทยาลัยศาลพระภูมิประจํามู่บ้านขอความเมตตาจากพระอาจารย์สอบถามว่าในนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไมค่คะมันเป็นความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธเิเขาไม่เขาไม่เขาไม่ไปอยู่บ้านแบบนั้นหรอก บ้านของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือของพวกพวกเจ้าที่อนะทั้งนั้นนี้เขาอยู่ในโลกทิพย์เขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้เขาไม่มีร่างกายก็ เ, เลยไม่จําเป็นจะต้องมีบ้านอย่างพวกเรามีกันเพราะเรามีร่างกายมีคําถามผู้ฝากถามจากคุณนิทัศน์ค่ะทําอย่างไรจะให้พ้นความกลัวเช่นกลัวผีกลัวความตายกลัวผีก็ต้องไปหาผี กลัวความตายก็ต้องเข้าหาความตายล้วมันจะได้หายกลัวเราจะได้พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากความกลัวที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวความจริงมันต้องเป็นความจริงมันจะตายมันก็ต้องตายถ้ามันผีมีจริงก็ต้องเจอถ้าไปหาแล้วมันไม่มีจะได้รู้ว่าผีไม่มีผีมีแต่ผีก็ไม่มาหลอกมายุ่งกับเราหรอกผีจริงเขาไม่มาหลอกเราคือดวงวิญ ญ, ญาณต่าง ไอ้ผีที่มาคอยหลอกก็คือผีปลอมผีที่เราสร้างขึ้นมาในใจเราไปอยู่ที่ไหนมึนๆคนเดียวเดี๋ย ว, ยวคิดขึ้นมาแล้วผีมาแล้วได้ยินเสียงว่าผีมาแล้วเห็นอะไรเคลื่อนไหวหน่อยว่าผีมาแล้ว อ, อันนี้หละัะผีปลอมผีที่ก็วิธีจะแก้ฆ่าฆ่าผีปลอมก็ใช้พุโทโธพอเริ่มคิดว่ามีผีมาก็พุโทโธพุทโธไปพอจิตหยุดคิดผีมันก็หายไปคําถามจากคุณเพลินพิสุก อยู่บ้านกับวัดได้บุญเท่ากันไหมคะก็อยู่ที่ว่าทําอะไรหรือเปล่าบุญไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าทําอะไรอยู่บ้านถ้าทําบุญแล้วอยู่วัดทําบาปอยู่บ้านก็ได้บุญอยู่อยู่วัดก็ได้บาปมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ว่าจะทําให้เราได้บุญหรือไม่ได้บุญมันอยู่ที่การกระทําของเรา คำถามต่อไปจากคุณอรุณสีขอสอบถามว่าลูกสาวมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆมีคนบอกให้เปลี่ยนชื่อจะดีขึ้นจริงหรือไม่คะไม่น้องเปลี่ยนพฤติกรรมถึงจะดีให้อยู่บ้านเฉยๆไม่ให้ออกนอกบ้านอุบัติเหตุจะไม่เกิดถ้าปล่อยให้ไปขี่มอเตอร์ไซค์ให้ไปขี่รถจัยนอะไรอย่างเี้เดี๋ยวมันก็เกิดอุบัติเหตุชื่อมันเปลี่ยนไงแล้วไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมันก็เหมือนเดิม นั่งเปลี่ยนพฤติกรรมคือเปลี่ยนการกระทำของเราคำถามจากคุณชรชินจังกราบในมัสการพระอาจารย์ค่ะจิตใจฟุ้งซ่านตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรสวดมนนั่งสมาธิปากสวดแต่ใจไม่อยู่กับบทสวดมนต์หรืออยู่กับสมาธิเลยมีวิธีทำอย่างไรบ้างคะก็ต้องฝึกสติก่อนมานั่ง ต้องคอยพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดเวลาก่อนจนกว่ามันจะอยู่กับพุโทโธมันไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆแในเวลานั่งสมาธิจิตมันก็จะสงบได้มีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะระหว่างที่เป็นวิญญาณล่องลอยอยู่ยังไม่ได้ไปเกิด เราสามารถนั่งสมาธิเหมือนตอนเป็นมนุษย์เพื่อให้จิตใจไม่เกิดความอยากจะได้ไม่ต้องไปเกิดได้หรือไม่เพราะเหตุใดสมาธินี้ไม่สามารถไปยับยั้งการไปเกิดได้เพราะสมาธิมันชั่วคราวมันเสื่อมได้เรากำลังสมาธิเสื่อมความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาถ้าจะทำให้ความอยากมันไม่โผล่ขึ้นมาเลยต้องใช้ปัญญาใช้วิปัสสนาเห็นทุกข์ในสิ่งที่เราอยาก ถ้าเราเห็นว่ากินกินของอันนี้เราจะตายเราก็ไม่กล้ากินแล้วแต่เราไม่เห็นเราไปคิดว่ากินแล้วจะมีความสุขกินแล้วก็เกิดโรคมะเร็งขึ้นมาเราก็กินกันสูบบุหรี่สูบแล้วเดี๋ยวก็เกิดเป็นมะเร็งในปอดแต่ไม่เห็นมันมันไกลกว่าจะเห็นมันหลายสิบปีมันก็เลยไม่เห็นถ้าเห็นว่าสูบปับ๊บมะเร็งเกิดขึ้นมาปุ๊บนี่มันไม่ไม่สูขทันทีอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าอยากจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันจะทำให้เราทุกข์มีคำถามจากคุณจามจุรีค่ะกราบน้นมัชการพระอาจารย์กราบถามคือเจตนาเพื่อเตือนสอนฝึกให้ใช้ของประหยัดแต่ลูกโกรธจัดด่าแรงกับเสียงดังจึงกราบเขาขอให้หยุด ทำไปแล้วก็ติดอยู่ในใจตัวเองแต่เป็นทางเดียวที่ทำให้เขาหยุดเถียงขอคาแนะนำเจ้าค่ะก็แล้วแต่ถ้าทำให้เขาหยุดเถียงได้ก็ทำไปเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเถียงใหม่จะทำไงก็ต้องทำอีกนั่นก็มันการกระทำอะไรต่างๆนี้ดีที่สุดก็คือหยุดเราดีกว่าดีกว่าไปหยุดคนอื่นเพราะหยุดคนอื่นนี่หยุดแล้วบางทีก็ไปทาให้เขาโกรธได้ทาให้เขาจองเวรจองกรรมเราได้ แต่ถ้าเราเราหยุดเองเราเฉยๆแล้วปล่อยให้เขาเถียงไปเขาจะจพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเดี๋ยวเขาเมื่อยปากเขาก็หยุดพูดเองเราไม่ต้องไปบังคับเขาไปขอเขาไว่ให้เขาพูดมีแรงเท่าไหร่พูดไปเอาเราจะทําตัวเป็นเหมือนกําแพงกําแพงลองไปคุยกับกำแพงดูหน่ยลองไปเถียงกับกำแพงดูไม่ด่ากําแพงดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยมันเราก็หยุดเองเพราะกําแพงมันไม่มันไม่ตอบโต้มันเฉยๆมัน มันปล่อยให้เราเถียงให้พอวิธีที่จะหยุดคนที่ชอบเถียงเราที่ไม่มีโทษก็คือปล่อยให้เขาเถียงไปเราไม่ต้องไปเถียงตอบอ้าวมึงจะเถียงกูก็จะฟังเถียงต่อไปหมดแล้วเหรอหมดแล้วก็จบคำถามจากคุณวิสรุตกรบนมัสการครับเคยทําสมาธิได้ถึงสภาวะที่เหลือแต่อาการรู้กายแยกออกเป็นอีกส่วนหนึ่ง ลมหายใจขาดไปหลังจากนั้นไม่เคยเข้าถึงอาการนั้นอีกพอลมหายใจจะขาดหายแล้วเด้งออกตลอดผ่านมาหลายปีแล้วควรทำอย่างไรครับก็กลับไปย้อนดูสิว่าตอนที่นั้นทำอย่างไรมันเข้าไปได้ถ้าจำไม่ไดก้ก็ทำใหม่อย่าไปคิดถึงมันทำใหม่ให้มีสติอยู่กับลมถ้าใช้ลม ถ้าใช้พุโทโธก็ให้มีอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงความสงบที่เคยได้อย่าไปอยากให้มันสงบแล้วเดี๋ยวเวลามันจะสงบมันก็สงบเองคำถามจากคุณเบนจมาศกราบนัมัสการเจ้าคะ่ะ ในระหว่างวันมีพุทโธแต่เวลาเราไปนั่งสมาธิจะ ก, กำหนดที่ลมหายใจสลับกันกับพุทโธจะได้และมีผลอย่างไรหรือเปล่าเจ้าคะได้เจ้าคะ่ะลูกรู้สึกว่าความสงบกว่าจะสงบช้ามากเจ้าค่ะก็มันไม่แน่นอนอสงบช้าสงบเร็วมันอยู่ที่สติงนั้นก็ขอให้มีสติก็แล้วกัน สติดีก็จะสงบง่ายสงบเร็วสติไม่ดีก็สงบยากสงบชา้าหมดแล้วเลอคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะคมีใครอยากจะถามอีกไหมมีมีเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับกระผมเป็นคนมีกาม ร, ราคะมากจะเจริญมากได้ไหมครับ หรือมีวิธีขอรับก็พิจารณาสุภาพ่วยการเจริญรักพิจารณาซากศพ บ, บ้างอยากจะดูแต่เฉพาะคนเป็นดูคนเวลาตายบ้างาคนที่เป็นนี่สวยงามหน้าตาหล่อเหลานี่เวลาตายเป็นยังไงบ้างหรือดูตอนที่เขาแก่ก็ได้ถ้ายังไม่ทันตายก็ดูดูดาร า, าเมื่อสี่สิบปีก่อนเนยสวยงามหล่อเหลววันนี้หน้าตาเป็นยังไงให้ดูอย่างนี้ก็ได้แล้วมันอาจจะลดการมราคะของเราลงได้ <Okay. S 2> มีคำถามอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะแกรบนรรมสการจะทำอย่างไรให้ได้เข้าถึงมรรคผลและความสงบต้องปฏิบัติไงต้องจเจริญสติต้องนั่งสมาธิต้องรักษาศีลแปดต้องไปเปรีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่ไปยุ่งกับใครหมดแล้วเหรอหมดแล้วเจ้าค่ะโอ okay. เคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา